อมือวานีเข้ามาร่วมกันที่ตรงนี้นะได้ปัจจัยรวบรวมกันแล้วทั้งบุญแล้วส4 4หบาท2อ4 8อบดนี่ยอดรวมโดยมาแบ่งถวายที่วัดปานาคำน้อยามน้อยยี่บาทาถวายสักราร์นหลวงพ่ออินเอ้หลวงพ่อสดวัดปาวมันเพิ่ม 6,820 ดบาทครับทั้งบรดรวมแล้วเป็นเงินหนึ่งสองหสี่บาทขออนุ ม, มทนาน้ำกันเดอร์คุณบายจารยัโยมก็ได้ถูกหลวงพอ่อหลวงพ่ออินถวายเพิ่นมาอยู่น้ำเเ้านี่หลายสิบปีแล้วก่อนสิเกิดปัดปาผู้ก่อนก่อนสิมีปัดปาผู้ก่อนเพิ่นมาอยู่ตรงนี้ ก่อนพนมาอยู่ตรงนี้พนไ ป, อ ย, ป อ, อยู่ทำคุณป้องอยู่ทำคุณป้องอยู่ท่านไหไปออกสิบจท่านมาจากทำคุณป้องเนี่ยซีอยู่ตรงน้าตกน้าตกตัดตนหรือน้าตกท่านท่องทางด้านขัวมือนี่ยซีไม่ทำอยู่คุณป้องหรืออาจารย์ปอ้องเนี่ยพนจะมาวิเวกอยู่ตรงนั้นอ่อนาก็จะเป็นค ร, รูบาหนุ่มเนี่พนก็เลยเอื้อนเอื้อนทำคุณป้องคุณป้องกลาเป็นอาจารย์ป้อง เพิ่นมาปฏิปฏบัติจิตวิญญาณปฏิเบรจิตวิญัาณตั้งแต่สมัยหลวงปูมงป่มันไต่หลวงปู่มันลงมาเพิ่นมั่งรอพ่อหลวงหลวงปูม่มันเพิ่นอยู่ที่ทำผ้าแดงนั่นสองปีนะที่ว่าทำผ้าแดงที่โน่นผ้าแดงไอ้บริวัตินั่นทำผ้าแดงหรือทำหลวงปูม่มันนะ่ะนะเพิ่นอยู่ตรงนั้นสองปีมาอยู่ที่ตรงนั้นมาอยู่อย่างที่ตรงนั้นจิมาอยู่เพื่อรอรับ เอาเด็กชายุกเด็กชายบุกตะวงษาคุณ อ, อยู่ทำคุณอยู่ทำพ้าแดงนั่นลงมาบินตาบาด ท, ที่บ้านนามีบ้านนามีเนี่ยปัจจุบันนี่็คือโรงเรียนบรรสว่างคือโรงเรียนบนสว่างบ้านนามีเนี่ยจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี่ยคือวัดโพชัยทองวัดอาจารย์บุตรดีนั่นเป็นวัดเก่าแก่บนเดตนันกระ มีวัดอยู่ตรงนั้นหลวงปูพงป่พิมหลวงปู่จันหลวงปู่จันหลวงปู่พิมพ์สิย่หันแล้วก็หลวงปู่มันนยพระสิยุทธึงพูลงมาบินธบาติบันหน้ามีแล้วก็กลับลงไปไปชันที่ใต้ตีนเขายัานยนน่อมจิเบศหันนิน่อยไปให้พึ่งนั่งชั้นจังหันย่หันมาสัน่นพึ่งสั่นเสร็จแล้วพึ่งก็ลางบาทอยุดตรงเขานันกแล้วขึ้นไป ขึ้นไปถึงผู้ไปไปฏิบัติถรมกับมาฐานอยู่ทึงนาธรรมนะัเสื้อก็เข้าไปวันเดียด้บนทุนอยู่หันมันแคบแนตะ่แข้งตัวเขาไปบนธรรมนั่นนะไป็นพิญญหันยางมะเซายางมะแรงเพื่อกรสีลงไปอาบน้ําที่ตาดโจรที่ที่ตาดไปก่อนที่ไปล่องหันประอดผ่าพระล้านหินบ้หันมีก่อนหินอยู่จริงมันก็มีหลายก่อนอยู่ แต่แบบมีก่อนหนึง่ง น, น้อยเพิ่นจิปปูพาอาน้าแล้วก็นั่งกาบกาบเสร็จแล้วก็งไปสรงน้ำส่งน้ำเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาพรพรเพรฮอตทันบอลพราะนเห็นกัเป่าปูพาแล้วก็กาบต้องหันตัวก็จะกายขึ้นมากลายขึ้นมาผู้ตุกคอนผู้ตุกคอนนี่เป็นผู้ปฏิบัติต้มน้ำต้มยงให้เพิ่นยำเพิ่นบระยู นพอนออกนีไปแล้วพ้นปนยงปังก็จะไปกัดก่อนหินก้อนนี้แท้พี่สันเป็นไงเบือง น, นาเป็นไงเบืงองเห็นพระคํ า, าตัานอยู่ในหันเพื่ก่อนราก็เริ่มไปแปะสภาพเอาพระคํ า, าตัานองค์นั้นไปแปะสภาพใส่กองยาฟินเรียบร้อย <c oughs> ใส่กองยาฟินเรียบร้อยเนี่ยเป็นไงสันเตะก่อนมียาฟินก่นมียาฟินเสร็จแล้วก็เริ่มมามาอยู่บันสว่างมาอยู่หวัวนาซํา คือวัดปลาบนนูวนสบางทุกวันนี่แหละมาอยู่ตรงนี้จนมาไน่เด็กชายมุกทวงสาอายุได้เก้าขวบก็เลยเอาเด็กชายมุกดีไปนํามไปอยู่ขามหอยขามหอยดีได้เจียวสันขามหอยเจียวเด็กชายมุกจนว่าเอาไปบวชจนใหญ่โตแล้วก็ เก็เลยจะตีเป็นพระเรียกว่าเอ็นทินมุกทิมุกต่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นผู้ผู้ใหญ่มุกถ่าขึ้นเมือนีล่ล่ะประตูมุกยันบับานนาตองอเป็นสันในประวัติย่อๆส่วนบันนาหมีต่อมาคนตายหลายค้นตายหลาย แตกบ้านกันยันตายบ้านผู้นี้ออกผู้นี้ไปผู้นั้นกลับบาผู้นี้ตายถาแล้วเอาไปพอตายบบ้านแตพระก็เลยแตกนี้กันยั่งมาขึ้นสันแตกยมาขึ้นขึ้นไปยังเว้นยันเขายนผีน้าเห็นก็เลยไปไปทั้งพุนสุนหนึ่งนีไปุ่ทงพุนไปหอดพุนแจ้งผู้ดีก็เอบสว่างพอกึ่งหนีมาอยู่ทงพี่ฝากมปนำล่างื่นเอื่อยบันฝากล่างนะมาอยู่น้ำหน้าบนฝากล่างบันสว่างฝากล่าง อันนี้คือข้อม็นมาของอบ้านน้นมีเดี๋ยวคู่ ม, มือเดีเขาไปเบียนเป็นบ้านปากล่างต่ก่อนเอือนบ้านฝากล่างครับปัจจุบันฝากล่างอะพร้อมนอ ก, กราบให้ยัดเขากราบวันแล้เดี๋ยวพันกราบทีหลังดอกพนมาทีหลังดีกราบอะอย่าโยมกราบเนี่ยทำพิธีถวายสักการะก่อนนะครับผม เตียมพร้อมนะคับอาจารย์ท่านนะคราบขโอกาสต่งันนินมยามุตสาพระกุ ม, มาโตมมะพานมะกรังโรมาเซ สกละนะครับเียปมาเดนาดาวนัยนกดาสามบบาราทังกไมตุโนพันเดเรีรนมาเดนาดาวนัเยนกัดดสามบบาราทังกไมตุโนพันเด าลมาตนพระสงฆ์น้องนุงทั้งหลายได้มากราบคารวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราผ่าปฏิบัติกันมาได้มาคารวะหลวงพ่อและก็ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมมารวมกันทำพิธีคารวะ <c oughs> เพื่อขอขมาลาโทษพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพางหลวงพ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราทุกทุกท่านขอให้พวกเราทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมวังดังปราถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกๆ ก, กท่านด้วยเทอญ อาหังขมามิตุมเหหิปิเมขมาบิตั บ, บังมามาเอวังหัตุเอวังหัตุโยจะปุบเบปะมะชิตตวาปัตซาโซนปมัสติโซมังโลกังปพาเซติอาพามุตโตวจันธิมาอภิวาธนาสีิทธนิจยางบุษธาปจายโนจัตตาโรธรมมาวาทานติ อายุวันโนสุ ข, ขังพาลางที่ไปมาบัดอื่นได้บ่นเนี่ยอ๋อเออหลวงพ่อถามว่าจะมีไปทางอื่นอีกไหมถ้าไปทางอื่นหลวงพ่อจะย่นเวลาให้ถ้าไม่มีไปทางอื่นหลวงพ่อจะพูดยาวๆสักหน่อยแล้วก็พร้อมกันบอกว่าจันเจ้าคณะ อำเภอท่านหลวงพ่อบุญมีท่านบอกจะกราบคารวะหลวงพ่อสดที่นี่นะจะพึ่งออกไปนะเมื่อหลวงพ่อพูดจบแล้วก็คงจะทําพิธีคารวะหลวงพ่อคําสดปัดฝาบ้านเพิ่มพื่อจะมาพบมาเจอกันที่นี่แล้วนะคณะขอให้พวกเราอย่าพึ่งแยกย้ายกันเมื่อหลวงพ่อพูดจบแล้วก็จะทำพิธีคารวะหลวงพ่อคําสดแต่ปีนี้หลวงพ่อชาลี ทีละธรรมโมอะไรทีละธรมโมหลวงพ่อชาลีจเจ้าปัญพคูจิต ภ, ภาวนาญาณเจ้าออวาดวัดป่าภูก้อนท่านไปจำรรษาทางจังหวัดเลยปีนี้อําเภอภูเรือจังหวัดเลยผนเป็นวัดสร้างใหม่ท่านนิพนลไปซื้อที่ดินแปลงนี้ว่าประมาณ200กว่าไร่นั่นแหละเห็นหลวงพ่อชาลีจะไปแถวนั้นไปหาวัดแถวนั้นก็เลยมอบถวาย เออซื้อโหมดไปหลายลาย้านเลยเนี่ยแต่ท่านชฉลีไปเห็นท่านก็บ่าเหมาะมันเป็นไหลเขาน้ำซับดีแล้วก็ห่างจากภูเรือประมาณจัก3กิโลแล้วอะไรเนนะี่ยแต่ขึ้นเขาสักหน่อยแต่ก็ศรัทธาญาติโยมก็ไปเท ป, ปูนอะไรให้ถนนหนทางก็สะดวกขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วละ่ะท่านไปจำบรรษาที่นู่นปีนี้ แต่พวกเราก็คงจะสงสัยเอ๊ะทำไมหลวงพ่อชรีจึงไปจำพรรษาที่อื่นนะเพราะว่าท่านสร้างพระใหญ่สเสร็เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านถือเอาเคตเอารางเอายามมัง้งประวัติสร้างสิ่งของสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสลาใหญ่สร้างอะไรใหญ่ๆในวัดแล้วก็ท่านก็ต้องหนีหลบไปซะก่อนเพื่อเอาเคสถ้าไม่อย่างนั้นมันแพ้จอเจ้าอาวาสเหมือนกันนะคนโบราณเขาถืออย่างนั้น มีแต่หลวงพ่ออินเนี่ยเราไม่ถือว่างั้นะเดีย๋ยหลวงพ่ออินเนี่ยสร้างสลาหลังนี้นพอสร้างเสร็จแล้วเขาก็ถามวาหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ไปจำพรรษาที่อื่นแล้วเขาวางเงินนะหลวงพอ่เอเลยเราสร้างสลาหลังนี้มันได้สร้างให้หลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินนั่งนั่งอยู่หน่อยเดียวเออก็สร้างให้ทุกคนอะ่ะถ้าพระญายมพอบานจะมาเอาหลวงพอ่อมันก็ไม่เป็นธรรมเลยจีเอาคนเดียวต้องเอาเขาต้องไปเป็นหมูใช่ไหม ต้องเอาไปทุกคนเนีจะไปเอาแต่หลวงพ่อคนเดียวได้ยังไงหลวงพ่อสร้างให้ทั้งหมู่ทุกคนมานั่งไม่ใช่สร้างให้หลวงพ่อนั่งองค์เดียวหรืวะถ้าพญายมพระบาลจะว่าเอาแต่หลวงพ่อไปองค์เดียวโอ้ยแสดงว่าพญายมไม่มีคุณธรรมในจิตใจเลยจะว่าเอาแต่หลวงพ่อได้ยังไงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ไปหรอกวะถ้าไปก็เอาลูกน้องบริวารทุกคู่ทุกคนศรัทธาญาโยมไปด้วยกันนั่นแหละหลวงพ่อกะว่า หลวงพ่อก็เลยไม่ไปแต่หลวงพ่อเฉรีใเนยะท่านถือเคตถือลางเลยปัว่าในปีนี้ได้สร้างผ้าใหญ่แล้วจบแล้วฉลองแล้วท่านก็ต้องไปจำรรษาที่อื่นก่อนนะท่านว่างนันนะแต่หลวงพ่อเองก็มาคิดมาวิเคราะห์ อ, อีกเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมคนโบราณเขาจึงถือว่า เ, เวลาสร้างอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจึงออกไปที่อื่นซะก่อนเออ แต่หลวงพ่อเนี่ยเมื่อสร้างสลาเสร็จนะปีสามสิบในสลาข้างในพอเสร็จแล้วโอ้โยมันเหนื่อยจริงๆว่ะเหนื่อยเลยก่อนที่จะเสร็จได้เกือบสองปีเลยก่อจะเสร็จได้ปีนั้นหลวงพ่อสดกับจำพรรษาด้วยกันหลวงพ่อสดมาอยู่ก่อนแะอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วหลวงพ่อสดนี่นะจำพรรษาด้วยกันที่นาคําน้อยนะเพราะหลวงพ่ อ, พอเอ๋อสดสดท่านอยู่ที่นี่นะปีนี้ผมขอออกไปจำพรรษาที่อื่นจะไม่ไหวเหนื่อยจริงๆว่ะ เมื่อไก่เขา้าพอสร้างเสร็จไม่รู้เรื่องอะไรตร๋อมเลยนมานลุมมาตุ้มมาตุ้มมาลุมเลยแตทางหลวงตาบ้านตาก็ะดาอีกต่างหากทีเดียวเลยหลวงตาบ้านตาก็ด่าอีกกว่าะทาอินบอกแล้วอยาให้สร้างสลาใหญ่กว่าหลังนี้น่ะทําไมเขาบอกว่าไปสร้างรับหลังปักใหญ่หมุดขึ้นมาจากป่าไงมันทําอะไรเราบอกแล้วไม่ฟังอยากเข้ามาในวัดบ้านตาอีกนะพระองค์นี้นะท่านอินนี่นะโอ้โหเต่าเลีเ้ยงกันเหนื่อยอีกต่างหากทีนี้ เอาตามไม่จริงก่อนที่ท่านจะสร้าง เ, ออเราไม่กล้าไปขออนุญาตจากหลวงตาป่ะให้เจ่าแก่ก็ห่วงไปขอเถอะเจ้าแก่ก็ห่วงก็เลยไปขอโอกาสว่าแม่คุอาจารย์ท่านอาจารย์อินท่านจะสร้างศาลาไ อ, อ้ที่วัดนาคําน้อยกับผมเพราะแม่คุมันไม่ให้ขอมาขอกับผมมาขออนุญาตหลวงตาเออถ้าจะสร้างก็สร้างได้นะแต่ย้า้มันใหญ่กว่าหลังนี้นะไ อ, อ้อยู่ที่วัดป่าบ้านตาเถอรับทั้งเจ้าฟ้าเจ้าเพนดิน เออถ้าทําอินไปสร้างที่นว่นไ้ช่างใหญ่บ้เล่าบล่าไม่ได้นะทําอะไรแข็งโลกแข็งสงสารเขามันเป็นโลกนะไปไปบอกทําอย่าให้ทําใหญ่เต่าแก่ก็ห่งก็มาบอกมาเลยอาจารย์หลวงตาอนุญาตแล้วนะแต่ว่าอย่าทำใหญ่กว่าหลังหลังบั้นตาเราเกิดเออหลุงพ่อกถอ็ถือตลับเม็ดไปแล้วสินะถือตลับเม็ดก็คูณสมเจตต้องไปสมเจตที่เป็นวิศวกร พอไปกับวัดแหละนะวัดความยาวของศาลาบ้านตาดอ่าวัดความกว้างของศาลาบ้านตาดแต่ความกว้างเนี่ยกว้างกว่าแปลนเราปะเนี่ยแต่ทางยาวนี่ยของเราได้ยาวกว่าทางกว้างเนี่ยของบ้านตาดเนี่ยกว้างกว่า เ, เราก็เออเอาอย่าไกลวะยน่นออกสักข้องหนึ่งได้ไมั้ยแบบแบบศาลาท่านสวดยังไงย่ น, ยนออกไปอีกข้องหนึ่งมันยครับทางคุณสมเจดว้ยถ้ายน่นมันก็ไม่ไม่สวยแล้วมันก็ มันกระจุกปุกมันก็ะสั้นเกินไปแล้วหลวงพอ่อแต่ข้ า, าราชการเอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวมันยาวกงงาว่าของหลวงตาไะเอาคิดเนื้อที่ดูพอคิดเนื้อที่ดูเทอเดีหลังของเราเนี่ยเล็กกว่าศาลาบ้านตาสิบห้าตารางสิบห้าตารางเมตรเหมือนกันขนาดนั้นแล้วหลวงพ่อจะไม่เหลือมรรค ล, ลนะเล็กกว่าศาลาบ้านตาสิบห้าตารางเมตรเหมือนกันอ๋อมันเล็กกว่าอยู่แล้วเออเอ้า จากนันก็เอาก็เอาแต่ทีนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาเราเอ๊เราอยู่บ้านตานชายคาชายคายของบ้านตานประมาณเจ็ดสิบเซนเลยเจ็ดสิบเซนเคียงแค่นี้ของโบราณเขาเขไปทำชายคายาวแต่ได้พอตกกลางคืนมาเวลาฝนตกฝนตกกลางกลางคืนลมข้อกับนั่งนั่งองค์ที่สองจากหลง ปู่บุญมีใช่ไหมละ่ะแล้วก็องค์ที่สามก็คือท่านอะไรองที่สองก็หลวงปู่ลีบาทีหลวงปู่หลีก็ไม่อยู่หรอกบางปีนะมีถุนท่านปัญญาก็องค์ที่สามหลวงพ่อองค์ที่สองเด็เี่ยวพอเวลาฝนตกกลางคืนนะ่ะมันก็ฝนกระศาส์เข้ามาเพราะว่าใจขามันสั้นเพียงเจ็ดสิบเซนนี่ใช่ไหมตอนเช้ามาเด็ดเดี่ยลงตาลงมาเดเดี่ยมันเช็ดไมมันเช็ดไม่แห้งพอเช็ดไปแห้งลงตา ก, กันด่าพระเลยท่านเอ้พระที่มันไม่มีหูไม่ตามันไม่มีหัวคิดเลยนี่ เออทำไมไม่รีบเช็ดเวลาฝนตกนะ้ว ม, มันเปียกเห็นว่ามันเช็ดไม่แห้งเนี่ยนะทำไมมันมาศึกษาหาอะไรพวกนี้นไล่หนีทั้งวัดเนี่ยนะพระโมนีมันไม่มีหัวคิดโอ้ตายพอท่านดูทังนเกิดกระเทือนเราทั้งทีพราะเราเป็นนั่งติดหัวหน้าใช่ไหมลนะ่ะติดหลวงปูป่บนมีแต่นั้นพอพ อ, พอตกที่ไรเราก็ต้องไปเช็ดไปเรียกหมูบาให้ปะะไปเช็ดสาด้วยกันวะขัครับขับ เขาก็ไม่ไปใช่ไหมเลยเพราะมันนอนกลางคืนบางทีตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนเนี่ยกําลังนอนหลับใช่ไหมฝนตกอีต่างหากเราก็ไปเช็ดเป็นตัวบางเป็นแตมีองค์สององค์ไปเช็ดด้วยการงอกแงะกุ้คนละมุมกันอถ้าว่าขาดไลยทำซาลานะต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเข้าจะฟาดบรรจัยขามันชัก3เม็ดไปอย่างน้อยที่สมสี่เม็ดไปแล้ววะให้สายขามันยาวๆเพื่อไม่ให้ฝนสาดใช่ไะนเอาความคิดขึ้นมาเลยได้ผลพ่อมาทําอะไรมาให้ในช่างเขาออกแบบ พ่อแ บ, บกไปหลวงพอนี้ชายคาหลวงพ่อตั้งสามเมตรเลยบาทเอ่สามเมตรสมไม้แขนนางค้าอีกต่างหากคนไปกลัวกัวชายคามันจะหลดมันมันจะโยบลงแต่เนีพอเสร็จแล้วก็นคนทั้งหลายก็มาเห็นบาทมาเห็นอ่าสาราหลวงพ่ออินทร์ลังมักใหญ่แต่ว่าตัวมันเล็กโยนลงไปแต่ชายคามันยาวเลยทีมันใหญ่กับชายคา เ, ยเขาว่าอะไรตดวล้างมักใหญ่น้อยเขาไปฟ้องหลวงตาไป หลวงตาได้ยินเท่านั้นแล้วก็ไอ้ไม่ได้ถามหลวงพ่ออินแล้วต่ด่าเลยแต่เนี่แต่ยๆเราจะเข้าไปหาหลวงตาแล้วก็กลัวหลวงตาด่าอีกเลยเนี่ยเราก็สดๆไปหาพักผ่อนก่อนวะเราก็เลยไปจํำพรรษาบ้านเพิ่มปีสาสิบน่นนะก่อนที่จะมีวัดบ้านเพิ่มนะหลวงพ่อเป็นผู้ริเริ่มไปไปอยู่ก่อนนะไปอยู่ที่บ้านเพิ่มหลวพอเนี่ยพ่อนี้ทะเลตะไรออกจากนาคําน้อยเหมือนันนะหลวงตาดา่าหลวงพ่อแรงเราไง แต่ลงตาไปเยี่ยมนะแต่ท่านดด้ก็ท่านไปเยี่ยมอยู่ไงเถะ่ะไปเยี่ยมครั้งหนึ่งไปเห็นวัดบัานเพื่อนหัวเห็นโอ้ป่าไม้ใหญ่จริงๆทํามหลวงตาว่านนะนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของนาคำน้อยที่มาพูดเกี่ยวกับทำไมจึงหนีเพราะมันเหนื่อยเนละแล้วครูบาอาจารย์พระผู้เท่าพระ เถลาเถลาจา์ทั้งหลายเวลาสร้างอะไรเสร็จแล้วท่านหนีจากวัดเนี่ยทําไมจึงหนีท่านให้หนีหลวงพ่อก็เลยมาวิเคราะห์ อ, อีกอย่างหนึ่งนะพอสร้างโบสถ์ขึ้นมาเนี่ยสร้างศาลาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเงินไม่พอเนี่ยพอเงินไม่พอก็ขอแพร่ผ้าปามากกระทําบางทีก็ไปเอาของวัตถุมาทํามันก็เป็นหนี้เป็นศินใช่ไหมล่ะพอเป็นหนี้เป็นศินเสร็จแล้วก็ไอ้ลูกศิษย์ลูกหาก็อยู่ข้างๆหลวงพ่ อ, อ, อสรอง์สรอก ฉลองเะเพื่อจะได้เงินมาอาให้มันพอนะอาทางเจ้าวาดเออเอาสูเสียฉลองก็ฉลองใช่ปะก็เลยฉลองมาน่อยไปจัดงานฉลองใหญ่โตเลยันปพอฉลองพอฉลองเสร็จเรียบร้อยแล้วี้เอาเงินมาใช้นี่ไม่พอบ่ะเนี่เยเพราะอะไเพราะมันคนมาถวายต่ใช้ค่าหมอรำบ้าง อะไรต่อไม่อะไรบ้างแต่เ้เงินมันไม่พอเลเพราะไม่พอสมพานเป็นหนี้อย่างเก่านีเออสมพานกับเป็นหนี้สมพานก็คิดหนักนะเจ้ามิทำไมแล้วลก็สาลากะตําหูตําตาทุกวันเลยเอยแล้วก็ถ้าจะบอกว่าเอาศรัทธาญาติโยมถ้าจะทอดปลาปายเถอะนะสาลายังไม่เสร็จไม่เสร็จนี้มันเสร็จแล้วจะมาฉลองอะไรเลย อได้ได้สมพานกับอุกอังทางเทเทนี่เอจะว่าดจะฉลองสลาอีกก็ไม่ได้จะทอดผ้าป่าเพื่อเอาเงินมาใส่สลาอีกก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะสลาเสร็จแล้วเทนี้เพราะเจ้าของเจ้าอาวาสก็เลยสมพานก็นเลยตอม อ, อกตอมใจไม่ได้ขาทางออกยังไงเอา่นี่อคล้ายกับว่ า, นะวาทุกออ ก, ท, กทุกใจในสลาที่สร้างเสร็จแล้วต้อมใจเลยตายเหมืยอยนกันอ่ะเพราะอะไรเพราะว่า เป็นทุกข์กับศาลาเพราะเป็นหนี้เป็นสินเพราะฉะนั้นคนโบราณก็บอกว่าพอสร้างศาลาเสร็จให้หนีไปซะก่อนวนไปเอาไปหนอดออกไปนอกวัดผลเอามือกายหน้าผาเคตวางแผนอยู่ทางนอกซะก่อนอแล้วค่อยประจำพรรษาสักปีหนึ่งแล้วจะค่อยกลับมากลับมาดูศาลามาอยู่โบสถ์วิหารของตนเองหลวงพ่อคิดว่า น, น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถามหรอกมันเคสตอนนี้มันคืออะไรก็ยังไม่ได้ถามกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยว่า แต่หลวงพ่อก็เลยแปลแปลแปลงแปลงไปหมดก็เลยมั่นคงจะเป็นอย่างนี้กับมังหลวงพ่อว่านะรละวันนี้ก็เห็นกูบาลอาจารย์ลูกหลานน้องนงทั้งหลายลูกลกนั่นหลา น, ลานทั้งหลายมาคารวะหลวลงพ่อฝ่ายพระสงฆ์น ะ, ะท่านเจ้าคณะอําเภอหลวงพ่อภูนรเหล า, าแล้วก็ท่านแจ้งให้ทราบว่าพระที่จํำภรษาเขตอําเภอน้ํามสมมากปีนี้มากกว่า ปีที่แล้วนะสัมมณีนนมีอยู่17รูปพระภิกษุสงฆนะ์201รูปพระภิกษุ184รูปสัมมณีนน17รูปรวมเป็น221เป็นรวมเป็น201องค์พระอำเภอน้ําสม102องค์ธรรมยุทธ์นะ ทางฝ่ายนิกายคงกมีอีกนะพวกเราพูดจะทำมยุทธ์ทำมยุทธติกาณกายแต่ อ, อําเภอนายุงลดนะปีนี้นะเพราะรถพระเจ้าคณะ อ, อําเภอไม่อยูนะ่ท่านไปจําภาษาที่อื่นไปจำภรษาภูเรือนะอก็เลยพระลดลงปีนี้พระสงฆ์มีอยู่15วัดอําเภอนายูงนะมีภิกษุ มีมีพระทั้งหมด118รูปมีสัมเนนอยู่5รูปนะั้งมดนะดูสิว่าลดลงปีนี้ร1 8รูปพระนะแต่ที่มาวันนี้ก็มีทั้งหลายอำเภอนะที่มาร่วมมารวมกันที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อที่รู้จักเคยจำพรรษามองมองดูหลายหน้าหลายตาเหมือนกัน ที่เขามามามาคารวะในวันนี้คือนัดกันมามาให้จบๆทีเดียวก็ดีดีนะ ต, ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหลานะ่าเน้อในมาพร้อมกันแต่หลวงพ่อจะพูดเป็นภาษาอีสานนะพูดพูดเป็นภาษาไทยกันพี่น้องคนภาคกลางก็คงจะบ่บหลายเหมือนนีนะหลวงพ่อวานะวันนั้นหลวงพ่อจะบอเป็นภาษาทั้งอีสานของเฮ้าฟังง่ายๆ นั่นนันที่หลวงพ่อจะได้วอาภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองให้พวกเข้าได้ฟังนะวันเมื่อเนีเป็นวันที่สสิงหาคมพุทธศักราช 2,559 ปีนี้ปี2 5 5พนี่พวกเข า, เาวันอธิษฐานภาษาคือวันที่20สบ วันที่ยีเป็นวันอธิฐานพันสาก็เป็นอันวาวันพระแปดคาแล่บแปดคำในผ่านมาแล้วเมื่อนี่เป็นวันแปรมสิปหาคำเป็นอันวาเห้าเขาพันษาพวกเห่าเขาพันษามาพระลูกหลานเขาพันสามาเป็นเวลา15้าวันเป็นสิปหามื่อเขาพันษาและคณศสัต์ท่าญยาดโน้มคือกันเขาพันษามาเนี่ยก็ เป็นเวลาสิบหาเหมือยังเอกอยู่อสองเดือนครึ่งยังสองเดือนครึ่งยังมาแล้วยังมาทันออกพันษาอีกจำพันศาเพราะนั้นในพัรษาปีสองพนารยหาสิบเก้านี่อยากจะไห้พระเน้นลูกหลานเอ่อน้องนองของหลวงพอ่อลูกหลานของหลวงพอ่อเนี่ยองไหนที่มีแววที่มีความรู้ที่จะอยู่ในสืบทอดพระพุทธศาสนา หลวงพ่อได้จยากให้ลูกหลานทองพระปฏิโมกนะพระหน่อยพระนมให้ทองทองหนังสือทองปฏิโมกให้ได้พเพราะเฮ้าบริเรียนหนังสือเลยบริเรียนนักถ้ำตรีโท่เอกบางคนบางองคนะที่องค์ที่เลี่ยนก็บวา่าองค์ที่เลี่ยนกบ็อนกบอกไปยัดกวรจะเลียนพระปฏิโมกไปด้วยเพราะอันเรื่องปฏิโมกเป็นเครื่องประดับบารมีของพวกเฮ้าเมื่อเฮ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เขสามารถที่จะท่องอาสาธาญยายิปฏิโมกเข้าฟั่งปฏิโมกเพราะว่าพระปฏิโมกเนี่ยทุกซิบหามือเข้าจะต้องได้สวดพระปฏิโมกพัดเปลี่ยนกันเพราะนั้นให้หลวงพ่อเองอยากจะให้พระลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยที่ม่านางอยู่ที่ฟั่งอยู่เนี่ยอยากจะให้ท่องหนังสือปฏิโม ก, ก น, นะนะแต่สวดมนอย่างอื่นขั้วรจะท่องอีกเหมือนกัน แต่เมื่อเราทองไปแล้วนะเราจะภาคภูมิใจนะภาคลูกภาคหลานทั้งหลายนะเมื่อได้ปฏิโมกเราจะภาคภูมิใจลึกๆในตัวของพวกเฮาเพราะมันการทองปฏิโมกมันไม่เมืนธรรมดาต้องมีอุตสาหะวิทยาจริงจังและจริงใจอิริจรึงจะทองจบได้เพราะนั้นในพรรษาเนี่ยนะเขาพยักหัท่านเกินไปหรอกสําหรับหลวงพ่อเองสมัยเป็นเน่น อยู่กับหลวงปูหลักพ่อโยกหนังสือปฏิโมกขึ้นมาดทองสองสามคำ่ำโอ้ไต่ไต่ไต่หงจะบ่มีวานสนานะปฏิโมกข์มันมสร้างขัดเสร้างขัดสร้างทองอยากระหนีดม่อได้แท้ๆก็ว่วางลงพ่อขึ้นมาจําไหมอ่ อ, อน อ, อกอ่อนใจนออกไปปฏิโมกมันเบิ่งนระืมันทองหยาก้ะอีกเหลี่มหนาอีกต่างหากแตนี่หลวงพ่อชีลาถือเป็น กุบารุ่นพีวนไปบวชปีเดียวกันเพิ่นบวชเป็นพระปีสองพหารหลวงพ่อกับเป็นเน่นสองพหารเพิ่นมาได้มาจ่จํบพรรษาวยูผู้จุกกรเพิ่นบวชมาได้สองสามพันสาวเอากับได้สองสาพันสาวเป็นเน่นสิบกว่าปีนะ่ยสิบสามสสี่ปีเพิ่นก็บอกโอ้ยเนตรอินเนี่ยทองปฏิโมกษนะ์เนี่ย เฮาเบิงแหละผมเบิงแห้ะเฮาเบิงเน่ยมันบ่ได้หรอกทองท้องหนังสือพ่อปนีนะเฮานี่ยนะไปอยู่กับหลวงปู่ปุ่มนะเมืองเลนูนคขอดหนนะึ่งพอบวชขอ ม, ม่านเลวบ่กพี่พระปฏิโมก ก, มกออ็อยู่น้ำกันไล่อกเออพนก็ว่าหายทองปฏิโมกนะเนี่ยเฮานี่ยทองปฏิโมกสิบเอ็ดหมื่นเท่านั้นได้คนว่าได้จบเลยปฏิโมกเฮาได้ยินก็หูพึงคือกันโอ้ เกง่งปนั่นตินเพี่พนหมดเป็นหมอำเลยหมอ่ำซีลา่าข่าคนแผ่นดินปีนวนไปปฏิภาฒนเนี่ยเก่งวนอกไปความจำกับเป็นเยี่ยมขึ้นกันคนอำเภอพนโนมพไพเลยเปิ่ในบ่าวถนนเข้ามีกำลังใจขึ้นมาอย่างคึกขักเลยขนาดเพิ่นทองสิบอหมื่อเพิ่ะย่างใดเข้าจะไปทอง บ, บอะไรปะเอาในพันศาในี่ตั้งกิจอธิษฐานเลยวนไปเอาสีทองในหมื่นละหกแถวไปในกระดาษนี่ยในมื่ละห พกแถวบรรทัดในียสันสันในวนไปจเห็บบรุษมันจีวะได้ปปจานาก็เลยตั้งใจทองันไปจ้างหน่อยเอาไหมเมื่อเราพกแถวตั้งแต่เสารหอดแรกงอนไปโหบางมือก็ได้เป็นหนาสองสามหนาแล้วมันซ้ำกันเด้ปฏิโมบบางหนาปะซ้ำกันแต่มือมันมือมันยากปกันยากอีเดนไปเออบางคอเนี่ก็โอ้จบได้แต่ถึงอย่างรก็ตามบ่เหลือพิสัย พอทองไปแล้ว อ, อได้เดือนเขิงเท่านั้นแหล อ, อได้เดือนเขิงจบปฏิโมกต์เลยเป็นแต่เป็นแต่เป็นสัมมเนติคไปเออพอจอบแล้วหลวงพ่อนีอ่จาโมลืมก็เท่าคู่มือเนี่ยนะลูกหลานจาโมลืมเลยคนไปเพราะมันทองหย า, ากอีหรเอทองปฏิโมกได้เดือนเขิงคนไปจบพอจบแต่นี่ยทองธรรมจักอีกทองธรรมจักสองมื่นจบอดีตเออธรรมจักอ่า อันดับเอกสองมื่นจบอดีตสองมื่นแปลว่าซุมนั้นแปลว่าทองงางมากเลยหลวพอพ่อทองปฏิโมกจบแล้วเ น, นี่แหละอันนี้ก็คืออยากจะให้พาลูกพหลานเบ่าตัวอย่างให้ฟังอย่างตัวตัวอย่างของหลวงพ่อให้ฟังเนี่ยคือเป็นให้เพื่อให้ลูกหลานเด็เป็นขอสังเกตการทองปฏิโมกหลวงพ่อก็คืออกนักอ ก, กนักใจขนาดนั้นคือกันพ่อบวชพ่าเน่ยพ่อทองใดอายุสิบสี่บห้ปีทองปฏิโมกใด พ่อมาบวชเป็นพระวิกนั้นเลยเนะ่ยหลวงปู่มหาบุญมีนะอยู่บ้านเราหลวงปู่หลา ก, ก็อยู่ผู้เจ้ากอบมีพระลงมาเนี่ก็ไม่ลงอุโบสถน้ากันเพิ่นก็บอกว่านี่ท่านอินนี่คือสวดปฏิโมกได้เป็นเน้นขอท่านอินสวดปฏิโมกข้าผมเออเอาได้นะหลวงปู่บุญมีเพิ่นกน็อนุญาตอนุมัติก็เลยสวดอยู่บ้านเรานะบ้านเราโคกกลางนะเป็นเธอที่แรกเข้าไป สวดกับจอบไตรออไปเพราะหลวงปู่หลาเป็นพระผีเลี้ยงให้ได้เพิ่นกับกรจะขึ้นไปทำมาศหลวงปู่หลาก็สอนแล้วสอนอีกวันออกไปไปที่ลี่ล่าในการสวดปฏิบุตรั้นกัเป็นทีย่อมรับกันเทากับเฮออสวไดไตรต่อมาที่มากับสวดมาเลยเลยไปเทดจเขากับที่มนฑ์สวดจนมาถึงหอดหลวงปู่ฝันอีกมาหลวงปู่ฝันก็เทศหลวงปู่ฝันก็มาสวดตอนหนาหลวงปู่ฝันอกีกเลย วัดเปล่าอุดมสมพรเพนขาดพระปฏิโมกตอดสวดหลาเถื่อจานนั่ข้าวบ้าหอดปั่นทำของเพลินอีกมาสวดให้ถวายหลวงปู่ขาวอีกกบอสวดกับใคกับโอเกงเลี้ยวว่าวชัดเจนมาได้กับเขาบ้านตาดไปเพราะเขาบ้านตาดเองไปฟังปฏิโมกของเพลินโอ้ปฏิโมกของเพลินกับเขานี่โคตรเลชันเชิงกันไวมากโคนแล้วแนวกันเลยเดียววะ ดูสิว่าเสียงภาษาพ้นชัดกว่าหนูพ้นเป็นคนพักพักพักกลางเนี่ยหลวงพ่อประยุ่นไปคน้นจันทบุรีอยู่หนูไปพูดพ้นโตในน้อยพูดโอ้เสียงดังฟังชัดพ่อเข้าเห็นเขาก็ขยาดเลยวันหนูไปโอ้บมไดแล้ววะก็เลยเอาปิดไฟก่อนเบาแล้วไปพ่อต่อมาแต่นี่ท่านประยุ่นกับสวดบางมือพ้นแผ่กาดบันีดย่างมือเศร้าอยู่หนูไปบางที่พ้นเป็นวัดพ้นหาผู้สวดบไนใดพ้นก็คุ้มสวด เพิ่นก็เสนอขึ้นมาแล้วได้ยินวันนั้นอินสวดปฏิโมกข์ด้นี่ยแม่ขุจาร์ฮะแต่สวดก็มาสวดทสิมันต้องสวดช่วยกันนะปฏิโมกข์นะมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะมันเป็นของอกลางนะไม่เพิร์สัดสวดทีนี้เท่ากับเขาก็เคยสวดมาผัแห้งแล้วต่เนาะเพื่อป้าอ้าสวดก็สวดบานนี้ก็เพิร์สฮัทย่างเต็มที่แล้วหนูไป พอฟืกนคัดว่าวมันเก่งคล่องได้เติบโตไปพ่อขือนหอดกันขืนสวดร ว, วดแล้วลงไปพอสวดเพืก็ทักรวดแล้วลงไปพ่อทักมันติดติดบอยู่เลยว่าเดไปเก่งเดยวไปเพราะมันทองจวบอ่อคล่องแข่วดลงไปบาดาเนี่กท่อได้นกับทักหลายปอนไหนปนก็เบิ้งจังหวะขึ้นกันวลงตานึ่งมันเป็นธรรมดาได้ปนเป็นมหาได้บาลีของปนกับเก่งอยู่แล้ว บหาเท้าที่สองบาดเเข้าคืนเอกบาดเลยเขินบาดเลเพิ่นรับมีดิ่นได้อบาดเลยเพิ่นที่ทักแล้วมโนไปโอ้ยขึ้นบาได้ทักประดิ้ฐ์เขนบาได้ทักเข้ายังจำโมเล่หมอนันเป็นมือเขาประดับดินมโไปเออเพิ่นล่งปฏิโมกตั้งแต่ตีหาเลยังพอท่านมืดยังพอท่านแจงมโไปตีหาเนลองเลยตีสีกัวกวพเนล่องปฏิโมกฟาดมโนทอดเจ็ดโมกนปตีโมกพอท่นแล้วโนไปพอเหตุใดพอลงตาทักเนี้ยบาดได้กรทัก มันได้กระทักแต่ทักมันทักปฏิตรัวเราเก่งเต๋าโยอ่เราไปเข้าก็บค้องจนพอแห้งเลยพอที่จบจดหยัดโยมาอ่อมซาราลงคลงเราที่ใส่บาดพอนไปปฏิโมกยังค่อยจบเนาะโอ้ตายๆเนึกในใจแล้วบาดโอ้เข้านี่ยผมมีวาสนาเราอปฏิโมกก็จะเอาทันดีแล้ววะเพื่อจะขืนเมื่อไรเราขั้นขืนขืนไปแต่ตายๆเป็นชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงปฏิโมกมือหนีวะ สวดปฏิวกนณนานที่สุดเพราะหลวงตาทักปไปานยเออวาไปได้กับสองสาคำทักอาไม่ใช่อะนะอ้ายีโอโอมันเกินสระหมดนี่นะฮะ อ, องเข้าไม่รง้ว่ า, วาไว้ไหอเปล่ตายจรินทักจะไปมันก็ตายได้ทีบาดมันไปผไปในวัไปเอ า, ไไ า, เอาเว้าไหมพอะนชนก็เลยมมีวาดสนานะปะเศ้าบาดเนี่ย หลงอาจารย์ยุนก็คืนไปคืนไปสวดข้างที่สองอาจารย์ยุ่นตามพิจิตรมือไนจะเปลี่ยนวีกันคนลรคนเรวีกกันวนต่อไปก็วีกหนึ่งอาจารย์ยุ่นวีกหนึ่งกับท่านอินว่กี่ับนยุ่นท่านอินสลับกันอันนี้ไม่แต่ทันยุ่นวีกหนึ่งวีกสองเพิ่นกระท่วงแล้วป่ะฮ้ท่านอินเอปฏิโมกมาได้ไม่ขึ้นมาเหรอฮะมันต้องขึ้นมานะเดี๋ยวมาสวดนะทําไม หูกับปากของท่านน่ะท่านไม่รู้เหลือพูดผิดและพูดถูกเสียงสั้นหรือเสียงยาวหูกับปากของท่านไม่อยู่ใกล้กันเลยท่านพูดออกมานะหูของท่านก็ได้ยินมันผิดหรือถูกยังไงท่านจะแก้ไขไม่ได้หรอือมรรคผลนิพพานยิ่งละเอียดกว่านั้นอยู่ในจิตใจกิเลสยิ่งละเอียดกว่านั้นจริ่งกว่าของหยาบหยาบอย่างนี้ แต่ขนอดของหยาบยาบไปนี้ท่านยังแก้ไขไม่ได้ท่านจะแก้ไขกิเลสภายในใจหัวไทหัวใจของท่านได้อย่างไรนะต้องท่องนะต้องขึ้นนะต้องสวดปฏิโมกนะโอ้ตัวตัหลวงตาใส่ไม้นี่เขาไปหลวงพ่อพระเสือเอื้อเลยตตาไตขึ้นไปเอกบันขึ้นไปเอกก็บอกท่านก็บอกเป็นลีลาเท่านแล้วก็บอกว่าเวลาขึ้นสวดปฏิโมกขนะ์อย่าไปพูดเราเคยสวดมาแต่ก่อน เ, เราต้องสวดช้าๆก่อนอุป โ, ปโปสัทการณโตปุเปนวะวิถังปุบะกิจยังกาตะ บ, บังโหติพอมันเลยเข้าเป็นนิตจีเดียวกันนี้แปลว่าขี่ม้าบักจ่อนเลยวันนี้ลงไปวิ่งเอ้าวเลยว่นไปท่านก็ไม่ว่าอะไรเลยแต่ขึ้นปุปปับมาขี่ม้าบักจ่อนเลยไม่ได้ได้วอกเงินเดอรทักเลยเราเงินเดอร์เออแปลว่าปฏิโมกไม่มีทํานองนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเคยมามดเดอพระเนร์พรลูกพระหลาเนเลย หลวงพ่อนี่อ่อน อ, อกออนใจอยู่ที่บ้านตาเพราะท่านตวงตาก็เป็นมหาเดีท่านแข่งพิธีพิถันในปฏิโมกขี่ต่างหากนะเพราะนั้นหลวงพ่อขึ้นบัตรสองเนี่ยก็พูดช้าๆเลวบัตเนี่ยแล้วท่านก็ฟังเออแต่นี่เออใช้ได้ต่อมาหลวงพ่อก็เลยสวดสลับกันอย่างที่ว่าพอต่อมาท่านยูนก็เลยออกไปหลวงพ่อก็เลยสวดเป็นประจําเลยแต่นี่ทกวิกเลยอยู่ที่นั่นโอ้เป็นหลายปีนะนี่แหละ อันนี้ก็คือหลวงพ่อเคยผ่านมาแล้วมาเล่าๆให้ลูกให้หลานพาลูกพาหลานฟังนะในการสวดปฏิโมกเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเร า, าไม่มีพระปฏิโมกเนะกี่ยก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรเะนั้นขอให้พาลูกพาหลานเนะี่ที่มีหัวไฟในการเรียนในการศึกษาเนี่ยให้ลูกหลานทั้งหลายทองเนะ้อปฏิโมกนะเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกพาลูกพาหลานนะ เรื่องปฏิโมกเราเล่าให้พระลูกพระหลานฟังนะและก็พร้อมกันอีกอย่างหนึ่งขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายผัวเข้าก็ควงได้ยินจากซื่อต่างๆสั่งจากโซ่เสียบักจากสต่อสซบักพระคูมือเบ่ยเบิงแล้วก็เป็นตาอ่อนอกอ่อนใจขึ้นกันเพราะนั้นอยากหายยาให้มันเกิดในอำเภอหน้าน้ามสมหน้ายุงของเข้า พ่อน่าสมนายุ่งของเข้าเนี่ผู้ใหญ่ ย, ยังหลวงพ่อปุ่นมีที่เป็นเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อชาลีที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองเจ้าคณะตำบลไอ้พวกเข้าผู้เป็นพระหน่อยพระนมอันไหนมันพิษอันไหนมันถูกอันไหนมันควรบ่อข่วนก็อยากจะให้พระลูกพระหลานของเขา้าสัมร่วมระวังอย่าไปเหตุในทางที่มันบ่ถูกต้องท า, ามันเหตุในทางที่บูถูกต้องมันเสียหายเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเสียหาย ไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บงตะกูลของพวกเขานะผ่าลูกพ่าหลานน้องนอ ง, นงทั้งหลายนะเนอะสิ่งใดใดที่มันบวถูกนะ่ยอย่าไปคิดอย่าไปถ้ำอย่าไปพูดที่มันบวถูกให้จำล่วงให้มีศีล่า จ, จารวัตดให้ประพฤติปฏิบัติตามถ้ำข่ำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าผ่าดำเนินถ้าว่าพวกเข้าดำเนินตามถ้ำข่ำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะี พวกเข้าจะสุขกายสุขใจได้ไปนักสถานที่ใดก็เป็นที่เชิดชูบูชาเพราะเหตุใดเพราะพวกเข้าดําลงส่งศาสนาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเป็นศากยบุฒิศาสกายวุตรเป็นบุฒิภพพุทธเจ้าที่แท้จริงและก็เป็นลูกชิดลูกหาของพ่อแม่ผูบาอาจารย์พวกเข้าอยู่ดาลงส่งศาสนาศรัทธายาติโยมก็นั่นแหะไหวเนื่อเชื่อใจ เป็นเนื้อหน้าบุญที่ดีเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละอยากจะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายดำโลงทรงศาสนาให้เป็นกตเป็นเกศให้เป็นกตเป็นระเบียบอยู่ในหลับพระธรรมวินัยตามทีพ่พ่อครูบาอาจารย์ได้รับบอกกล่าวนี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งจะทวงจิตตะาวนา ก็ให้พวกเข้าศึกษาเฮ้เขามาอยู่ในเขตอำเภอหน้นนายุมหลวงพอก็หมั่นใจนะหมั่นใจในสถานีวิทยุของหลวงพอลุงพ่อเปิดได้รับมาจากจากดาวเทียมหวนะดาวเทียมรับมาจากดาวเทียมเปิดในวิทยุของหลวงพอลุ่อ เ, บบเปิ้รมาาดวเีวนก็วบาากันุงหลวงพอล่อเปรมาจากเทศยนดาที่ตรัตตาจากาเที่มเิดัทงง่ับางกันกดาเทศดีฟังเมืิองแล้วก็าาวัทหนาวเย า, ากษา บางที่ก็หลวงพ่อพุทธปักหลวงปูหลาปังหลวงปูรวยหลวงปูชอบหลวงปูเอ่อคำดีถรำผาปูบงังหลวงปอคูบาอาจารย์ต่างๆ่งว ง, งพอชิมปูชิมเทศนาวาการเอ่อแตกต่างกันย่มเว้นแต่เนี้มาขึ้นในตั้งแต่สองทุ่มแล้วไป เ, เป็นเทศองค์หลวงตาทั้งมัดพระเน น, เนลูกหลาน ยางหน่อยให้ฟังธรรมาเทศนาหลวงตานี่ยขึ้นละกันหลวงพ่อจะขอลองบอกพาเนธุนรุลานผูกไฟในการศึกษานะสองทุ่ม เ, เปิดวิทยุแล้วก็ฟังอย่าให้มันเสียงดังนั่งภาวนาแล้วก็นั่งคัตสมาธิแล้วก็ฟังสักกันหนึ่งแล้วก็ปิดพ่อปิดแล้วก็เนี่ยแหละแล้วก็นั่งภาวน่าต่อเออเอาน่ะมือหนึ่งเอากันหนึ่งก็พ่อะละเราจะฟฟัง ฟังเทียงคลืนกันเลฟั่งไกลทีแจ้งกันเลแต่ฟั่งกันนึ่งฟังเทธของหลวงตาหลวงพอจะมันใจและเกิดมาพวกเราจะได้มีกําลังกําลังจิตกําลังใจมีเป็นแนวความคิดที่หลวงตาในนําสังสอนศีลธรรมจริยธรรมหรือหลักประทัมวินัยให้มุ่งมันต่อศีลสมาธิปัญญาจังใดวิธีการเดินมักเดินจังใดเวลนานั่งสมาธินั่งจังใดกำหนด จิตใจจังใดต่อสู่กับกิเลสภายในใจจังใดจังนั้นจังนัน้นเดินวิปัสสนาเดินจังใดทางว่าพวกเข้าดนฟัง่งธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงพอมั่นใจนะพระลูกพระหลานนะเพราะหลวงพ่อเนีศึกษามากกับเพลิลนที่ดนฟั่งเทศที่เขาเปิดออกมาเนี่ยหลวงพอ่อในฟังเกือบทกุกการที่เทศอบรมพระนะตั้งแต่ปีศูนย์แปดต่้งแ่ยุนหัน อยู่ในหันเนี่พนเทศกันไดหลวงพว่อก็มาฟั่งทบท่วนยอดหลังมัดอพอมันมีเครื่องเทปอยู่ในหันเลยแล้วกับเทศกันไดกันใดหลวงพว่อก็มาฟั่งทบท่วนกันนึ่งกว่า ก, กี่กันกี่กันกี่เถี่ยวไป อ, อยู่เขาหลงตาเพราะหลวงพ่อไปไ ป, ไ, ปไฟในการศึกษาเองเลยว่าได้ เ, เป็นวัดเดียนียังแนวอื่นไปในฟั่งเทศฟัง่งธรรมอากนั่งกับป ร, ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นอยากจะให้พระลูกข้าหลาน อยู่ในเขตเอำเภอหน้ายุ่งน้าโสมน่นาจะได้ยินหลวงพอวานะเพราะว่าทั้งอยู่นอกไปทั้งบ้านเพืกันนะสถานีใหญ่ของทั้งบันตาก็มีอยู่แล้วก็เปิดฟังย้าขึ้นเสียงขึ้นรนะ้อย 7.2 ็ดหาว่าาวาแถวบันตานะัรอยามจุดสองหาเบเ อ, อ F M. เฮออพวกเขาจะได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเป็นแนวท่างที่ดีเด้พระเน้นพระลูกพระหลานนะอันนี้หลวงพ่อขอแนะนาสาหรับ ลูกหลานอย่าพวกเข้าจะไปถือว่าโอ้บวชมาเราบริสิทธศึกษาธรรมะจากคู่บาอาจารย์คูบาอาจารย์บริเตศชนะว่าการให้ฟังให้ฟังบรจุใจในการศึกษาพวกเราพวกเข้าอย่าคิดจังสัน่นมันไปแล้วเขาฟังธรรมเทศนาของผนฟังขั้นการใดฟังแล้วก็การนี่เขาฟังอะไรได้ฟังมาแล้วไงเขากับปิดไว้ก่อนเรื่องจะฟังซ้ำอีกยังไง พรฟั่งข้าวนี่ได้ความรู้อย่างหนึง่งฟั่งข้าวนานได้ความรู้อีกอย่างหนึง่งที่เฮาฟัง่งแต่ว่ามันเฮายังบ่มันใจวะเฮายังคอยมาอ่านตำราเบิ่งก็ได้บาทเนี่เอาอ่านตำราเขามามาศึกษาเบิง่งแนวทางปฏิบัติของพ่อแม่คูบาอาจารย์เฮาสอนเนี่ยกับในตำรับตำราในพระไตรปิฎกนี่มันเข้ากันได้บ่เนี่ยแต่มันอันเดียวกันนะลูกหลานนะแต่ท่ามาเทศนาของคูบาอาจารย์เนี่ยของเฮาเนี่ยรู้สิว่าละเอียดกว่า เพราะเคิดเปิ่นเคยเกิผ่านปฏิบัติมาตามขั้นตอนต่างๆเปิ่นได้มาแล้วเปิ่นยังมาเอามาขยายผลให้กับพวกเข้าได้ฟังวิธีการทำสมาธิเริ่มต้นต้องคิดแบบนี้นะต้องนั่งแบบนี้นะต้องดูอารมณ์ในใจแบบนี้นะให้กำหนดใจแบบนี้นะมันจะออกไปแบบนั้นต้องเอาแบบนี้พิจารณาแบบนี้ทบทวนแบบนี้เปิน่นจะสอนไหว้หมดจากนั้นเมื่อจิตใจเขาสู่ความส ง, งบแล้ว มีมานั่มาพิจารณาทั้งวิปัชน า, เ, าเดินแบบนี้นะเดินวิปัชนีนะเพิ่นก็จะบอกให็นรายละเอียดอีกขึ้นกันเพราะนั้นให้พวกพระลูกพระลานศึกษานะฟังเทศล่งตากลางคืนตั้งแต่สองถุมลงตั้งแต่สองถุมจนถึงตีหา้าอันนี้มีเทศพระทั้งนั้นแต่ตอนกลางวันน่ยเอออันนี้เพลินเทศทัวรไปเข้ากับฟังเป็นแนวความรู้ของเพลิน เปิ้ลสอนแบบไดเปิ้ลสอนขู่สอนข้นจังใดสอนหยาดสอนโยมจังใดอันนี้เทากับฟัง่งเป็นแนวความรู้ของเท่าส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อสองถุ่มไปถึงตีหานเป็นแนวปฏิบัติเนีเป็นแนวปฏิบัติทางด้านจิตใจแต่ไม่ไมจะฟั่งบอกคอยรู้เรื่องนะลูกด่านอันนี้ขอแนะนําไปก่อนฟั่งเทศหลงตาเนี่โดยมากจะบอกเข้าใจเพราะเหตุไรเพอหลงตาเทศธรรมาปฏิบัติเทศธรรมขันสูงนี่โดยมากจะบอกเข้าใจ แต่เข้าฟังห ล, ลายข้างนะอฟังห ล, ลายข้างห ล, ลายขนเข้าไปเนี่ยจะเข่าใจเข้าใจในธรรมะของเพลนเ อ, อจิตใจจิตนน่งอะไรต่เนี่ยเออไม่มีโบอพูดได้เลยว่ะบ่มีครูบาองค์อาจารย์องค์ใดที่จะอธิบายธรรมะได้ละเอียดยิ่งกว่าหลวงตามหาบัวพูดจังสันเลยเลยได้บาตเนี่ยผัวนั้นขอให้เ อ, อลูกหลานฟังบอกแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี่ทั้งนั้นจะเฝ้าเสื้อเข้าไปเ อ, อให้ฟังไว แล้วก็ น, นําไปปฏิบัติยังคอยเชื่อรถไปโมเมนต์จีวอลยังเสื่อลดบอ่ดอยเดยอโมเมนทํามขาสอนของพระพุทธเจ้าคันวอลยังเสื่อรลด่ดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตพูดตรัสออกไปนี้เถื่อเชื่อไหมยังไม่เชื่อพระเจ้าขาดพระสงฆ์ตะลักเฮ้ขึ้นมาเอา พ, ร พ, พระสารีบุตรหัวแข็งหัวดื้อหัวลัน ขนาดพระพุทธเจ้าตรัสบอกแท้ๆยังโบเสือพระพุทธเจ้าอีกเอาจังใดพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเธอทั้งหลายฝั่งเดี๋ยวเราจะถามอีกทําไมเธอจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไปกันกลองและก็เลยไม่ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระ อ, องค์นําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลแล้วข้าพระพุทธเจ้าจึงจะเชื่อพระเจ้าข่า พระองคบอกนี่แหละดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายตร ง, ต, ง, ต, งต้องเอาอย่างสารีบุตรที่เราตถาคตพูดไปนี่เธออย่าเพิ่งเชื่อให้ฟังไว้อแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติในเมื่อนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วนะ่ะเออจึงเป็นสมบัติของพวกเธอจึงค่อยเชื่อนะอ น, นี้แหละอันนี้พวกเข้าคือกันได้ที่หลวงพ่อวอลหอยฟัง่งไงกายฟังไหวแมนแ ม, แมนวอลนําไปการก่องแล้วนําไปปฏิบัติ เมื่อนํามปฏิบัติเป็นของจริงขึ้นมาแล้วเบาเสือก็ต้องเสืออะไรอย่างนี้มันแมนมาไปเออมันแมนเลยเออเบาเสือก็ต้องเสื อ, อ, สอนี่แหละอยากจะให้พระลูกพ้าหลานน้องนุ่งทั้งหลายตั้งอกตั้งใจให้อยู่ในรักพระถรมวินัยเรื่องโลกเรื่องโลกเรื่องเรื่องราบเรื่องยศเรื่องว่าไงว่ต้องหวังพนระลูกผ้าหลานขอําคัญนให้อยู่ในศีลในถ้ำเรื่องราบเรื่องยศมันมากเองนะหลวงพอเสือจังสั่นได้เสือกัมเสือผลของกัม พอเหุ้ันเหาเคยทำบุญทำท่านไปแล้วจังผัสศรีวัลียังสิแล้วไปอยูใส่พุ่งกระโบดบ่อยักขนาดพระพุพทธเจ้ายัางได้พิ่งบุญบุ ญ, บญใบบุญของพระศรีวัลีเลยสมัยหนึ่งนะอยู่ในปฐม ท, ำ, ทำมาประทัตกถาเดะไปศึกษาไปอ่านด้วยสิพระพุพทธเจ้าภาษาริบุตรไปกราบทุน่นพระพุพทธเจ้ากราบลาพระพุพทธเจ้าจะไปเยี่ยมน้องชายพระเรวัตเป็นสมณะเน้นอยู่ในป่า พระองค์บอกว่าสารีบุตรเธอจะไปกครับไผสารีบุตรก็กราบทูลเออเข้าจะไปนั่มนะเราจะไปด้วยพระพุทธเจ้าจะไปด้วยเขาพระสารีบุตรไปเยี่ยมสมณะน เ, นเล ว, วัตยะอยู่ในป่าพอเดินไปตั้งรอยทา้งตั้งร้อยยี่สโยดโยดนึงก็สี่ร้อยเศษพอไปหอดเคืองทางวันทั้งแยกพระอา น, นุ์ก็กราบทูนพระพุทธเจ้าว่าพระพระทุทธองค์จะไปทั้งโค้งและจะไปทั้งตรงพระเจ้าข้า ทังโค้งมันเป็นยังไงทั้งตรงมันเป็นยังไว่าทั้งตรงในกันด่านบ้มีไผ่ไซบาดเป็นทางท้งถีดกันดา่านคนทั้งหลายบ้านคนมีหน่อยไปบินธบาติพระสงฆ์ขนาดนี้บ่พอชันหรอกขั้นไปทางง้งโค้งมันมีเป็นเมืองต่างๆไปตามหัวเมืองเลยกับเข้าไปวัดที่อยู่ของไดวัตตะไดเพราะพระพองค์ถามว่าผู้ที่มากกระเพ้าเนี่ยิวารีมาบอลเห ไอ้ซิวอรี่มาบอ น, นี่มากับพวกเขา้ามาพระเจ้าค่ะไอ้พุทองค์เอ้อเอยถ้าซิวอรี่มาไปไปสายตรงเลยนี่แหละเพราะพระไตเจ้ายังพึ่งใบบุญซิวอรี่อีกต่างหากไอ้พ่อจากนั้นพระซิวอรี่กันยุ่ในหานได้ไไปบินไปฮอดไปพไักมองในทีกันดานปันใดกระตามมนหรือปเปาไอพอไปทีกันดานนี่พอพักแล่บเท่านั้นนะ่เะเทพเจ้าเราเทว่าเทวดาอยู่ในละแวกนั้นนะโอ้ สิวอรีพระภูเป็นเจา้าเฮาม่าเลยเนี่พวกเข้าไปไซบาดเนี่ยเบืออ่นนอเนี่ยพ่อของเขาพะพูใจเจ้ากันพวกเข้าพะไสบัดหัวของเข้าแตกเจ็ดภาคเนี่อพวกเขานี่ว่ได้เข้าไปร่วมไปชุมสมัมมาหน้าได้สังฆเทววดาพวกกลุ่มเทววดาทั้งหลายนะเออเทวดาเขาประกาศกันจากนั้นมือเศ้ามากเลยเทวดาทั้งหลายลาุ้มไม่ไซบัดพระพูใจเจ้ามาไซบัด พระศิวลีอาหารอุรมสมบูรณ์ไปใสบ่ออึศบอ่บ อ, อยากป่ะนี่ยเพราะอะไรเพราะอเ น, นสงฆ์พระศิวลีเพิ่นทํำบุญไหวในอดีตชาติเพราะนั้นพวกเข้านี่ยมาเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ยมีแต่อยากได้ลาบนายศตัวเองขีกข่กาดขี่เกียร์ําบุญทําท่านมันจะได้จังไรเพราะอเ น, นสงฆ์เข้าบม่มีเพราะนั้นเข้าขยู่ขยู่ในศีลในถ้มเถอะมิเอะยังเอาบริจาคไปเอาประกอบคุณงา้างความดี รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล น, นี่แหละเป็นเครื่องประกันอีกส่วนหนึ่งศีเลณนะสุขติยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีลศีเลณนะโพกระสมประธาถ้าว่าเข้าเป็นผู้มีศีเลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาก็เห็นอบโผโมทนาเอามาสิ่งของมาให้มาถวายไว้เท้าไวเทาอยากเพราะอะไเพราะเข้าเป็นผู้มีศีล เ, เขาก็อยากได้บุญกระเเผ่ นี่แหละสีเลณโพ่กระสัมปทาสีเลณ น, นิพุติยันติ เ, เข้าจะไปสู่ผนิพ่านใดกระเพราะศีล น, นี่แหละศีล น, นี่แหละ เ, ะเป็นเครื่องประกันเพราะนั่นให้พวกเขาเป็นผู้มีศีลส่งศีลเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรถให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งศีลอยู่ใ น, นสถานที่ใดมแตรความลมเย็นเป็นทุกณพาลูกพันลานน้องหนุงทั้งหลายเน้อและกัพี่น้องประชาชนชนัท่าญาติโน้มคือกัน ในพรรษาที่นี่แหละในพรรษานี่สเดือนเฮ้าขอพรรษามาสิบหามือเอาเถอะมันผ่านไปสิบหามือพอเป็นยังแต่ขาไปเจ้าลงพอถึงินมือนี่แหลวลงพอว่าอยากจะให้พระอยากจะให้สัทธาญาติโยมลูกหลานเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าว่าบริษัทเนี่เฮ้ามั่นใจแล้วเฮ้าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้า เข้าคว ป, ประกอบังประกอบคุณงามความดีจังไดมาสู่บริษัทนี่พุทธบริษัทนี่หลวงพ่อว่าอยากจะให้ศรัทธาญาติโยมก่อนหลับก่อนนอนอย่มอมหอือรแกลเมือ่อก่อนเข้าจะนอนเ ข, าาขา้ากาบพระสกอจ้าได้ขาดกาบพุทธโธธรรมโมสังโฆกาบพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงบนเม็นกาบปลกปลกุกีสิเด้ กาภัยระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระ อ, องค์เองพระธรรมคือคั้สอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนดีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นำพระธรรมคั้สอนออกมาประ ก, กาศเผยแพร่ให้กับพวกเข้าให้พวกเข้าเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเฮาจึงกาบพุทโธธัมโมสังโฆ จากนั้นก็ยกมือใส่หัวอีกนิพพานั่งข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพรนิพพานหวังผนทุกนายวตสงสารนะครับว่าโทุกข้าพเจ้ามาต้องการนะขอให้ข้าพเจ้าถึงซกคือนิพพานั่งนี่แหละจากนั้นเข้าไปว่าอิท阿拉หังสัมมาสัมพุโทโธภะว่าสวาขาโตสุปฏิปโนแล้วก็นนะโมตัสะอแถมเขาอีก ข้าพเจ้าขอนอบนอมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั่นนะโมสามจบนะเป่าถึงสามเถื่ อ, อาจากนั้นก็แพ้เมตตาก็ะไดบัดข้าพเจ้าจงเป็นทุกผู้อื่นจงเป็นทุกแพ้แพ้เมตตาแบบภาษาภาษ า, า, ษาใจอะไรหรอโนไปบอกเมนอาหารทุกิโตโมินิุกโหมิอาเวลโล่เฮ้าแปลบออกจากเมนบล์เนี่ยเป็นภาษาบาลีแต่หฮาว่า ขา้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขขา้าพเจ้าต้องการความสุขจังไดผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นขอขอให้มีความสุขอย่างที่ขา้าพเจ้าต้องการอย่างที่ขา้าพเจ้าทุกทกดวงใจทุกทกดวงวิญญาณด้วยเถิดให้นึกในใจจังสันคนที่มีเมตตาอยู่ในจิตในใจรับนอนลับก็บเป็นสุขตื่นมากกับเป็นสุขผู้ที่จะมาจองหลังจองหลังจองผานมากจอง ผูกพยาบาทอาคาดจองเวนเฮาคุณนใสคุณนดักคุณนใสคุ้นสีม่นดอกม่นดำเหมมันเขามาบวถึงทางมัดพ่อใหญ่พ่อเฮามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นรั่วกันรั่วกันตัวของเฮ า, าของสิ่งที่เป็นอภปมปมงคลเหล่านั้นมาบวถึง พ, พ่อใหญเพราะเฮายึดพระไตรชนะข่มพระไตรชนะข่มพระพุทธเจ้าเป็นผู้มัดจดจากกิเลสบ่มีกิเลสราขะโทษสามมหามีแต่คุ้นย่างเดียว นอกจากนั้นจะเป็นเที่ย ว, วดาเที่ยวบุตรองค์ใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีกิเลสทั้งนั้นเพราะนั้นเท่าจะบวนับถือผู้ที่มีกิเลสนะเท่านับถือผุ้เพิ่มมดกิเลสมดยดจากกิเลสเนะพราะนั้นเท่าจึงวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโฆธรรมโมสรงโคนิพานังแล้วก็ขันสรรเสริญพระพุทธเจ้าอรหัง สัมมาสัมพุทธโภพกาวาพุทธังภการวัตตังอภิวาเทมิสวาขาโตภกรวรตาธโมสุปติปโนและกันานะโมตัสสาภการโตอันนี้เข้าทําได้บ๊อกก่อนนอนแต่ละมือนะเนี่ยนี่แหละท้าวาเข้าปฏิบัติจังซีไดนะ้เป็นบุญเป็นกุศลนะเออเล่าจึดพัตรไตรชนะคมเป็นทีพึ่งเออขุนใสม่นดำมายังเขามากพอถึงทางมดคันว่าเขามีพัตรไตรชรณคมเป็นเครื่องคุ้มกันแล้ว จากนั้นก็กอน น, อนันเข้าบาอีกเรือว่าตื่นเช้าบ้านตื่นเช้ามากถึงกอนจะไปทําการทํางานก็วายอีกเท่านนี้นอีกอกาพุทธโทธรรมโมสดังก่ออรหังสวาคะโตสุปฏิพโนกแพ้เมตตาอีกอะจะคอยไปทําการทํางานเป็นชริเป็นมงคลทั้งมือเลยนี่แหละอยากจะให้พวกเข้าทุกทุกท่านน ะ, ะปฏิบัติจังสันขนาดพระพุทธเจ้าเป็นนกยูงท่อง อ, อยู่ในป่าดูใน กางเขาปาหิมะผ่านอยู่ในหุบเขาตังเกจสันพราะนะก่อนที่ปนจิงล่งไปหากินปนก็นยังบอกเทพตะจันจกักว่าเอการสาสหาริจวัลโนวยัยพระอาทิตย์จกรันพระอาทิตย์นี่เป็นใหญ่ในแผ่นดินแสงสว่างทร ง, สงแสงสว่างไฮโลกทั้งโลก เ, เกิดความแสวงสว่างจา่าขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอแสงพระอาทิตย์คุ้มข้องข้าไปเจ้าตลอดทั้งวัานด้วยเทินะนกย่งองนกยุ ง, งทองยังล่งไปหากิน พอเงี้ยเมื่อแรกมาขืนไปกัปยอดอยู่ยอดผู้เขาอีกอัเปตะกจันจกุมะเอกาล่าซาฮาเลจวันโยโนอีกพระอาทิตย์ขืนมาสแสวงสแสงสว่างหังนี้รับเขาไปแล้วข้าพเจ้าจับพักยูบนนี่ด้วยเทพพรเจ้าเราเทว่าพระพโพธิเจ้าพระธรรมประสงค์คุมข้องข้าพเจ้าตลอดทั้งคืนโดยเทินนี่แหละนกยุ่งท้องเป็นพระโพธิสัตว์เป็นย่างระลึกถึงคุณงามความดี เออหน้าหมือนเศรา้าเพันจมคาถาแบบหนึ่งยงมามือแรล่งพันจมคาถาแบบหนึ่งอันนี้คือกันเท่าเป็นพุทธทบริษัทของพระพุทธเจ้าก่อนนอนเทากับขวนจะจมค่าถาเจ้ากอนว้พระอารหังสวากะโตยังคอยนอนย่าเหมือเศรา้าออกจะออกทำหมดประการทํางานกับวายพระเะกากอนยังคอยออกไปทําการทํางานเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเขานะคณะทราญาติโยมแต่จะปีคืดว่าข่าวพรเจ้าจีวายพระ จะไปคืนเพียงนธนบุรีต้องตั้งสัตย์จะอธิษฐานข้าพเจ้าจะต้องไหว้พระทุกวันมิให้ขาดข้าพเจ้าตื่นอคนอนมาจะออกจะไปทํางานข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันจะไม่เหงขาดข้านว่ามันขาดจังหวว่าวมันขาดมือนี่มืออื่นท่าวัดเอาสองเทื่อนข่านันขาดสามมือเอาสามเทื่อซ่อนกันอยู่ไหนเออเอามือมันมีเวลาทําวัดถึงสามเถืเอ่อหอดเพื่อบ่อยมันลืม รักษาค้าสัตว์ไว้อยาให้มันขาดตุก ป, ปกผ่องค้ามสัตว์แต่อยากให้กี่ตัวเจ้าของนี่แหละอยากจะให้พวกเข้าจริงจังและจริงใจขนาดนั้นแหละศรัทธาญาติโยมในเมื่อพวกเข้าจริงจังและจริงใจขนาดนั้นมีแต่ความร่มเจ็นเป็นทุกขเนอาหลังจากนั้นให้ภาวนาเถิดให้นางภาวนาภาวนาโมเมนต์มันโมเมนของของพระเลมันเป็นนาทีของพวกเข้าพุทธบริษัททุกขู่ทุกคนนศะรัทธายาตยิโยมกว่าถ้ำได้นางภาวนา พ่อให้ไหว้พาอะ้รกัปิดวิทยุโทรทัศน์ปิดโทรศัพท์กับอีกต่างหากโทรศัพท์ก็จะไปเปิดไว้ดังเทียมมันเสียงดังขึ้นมามันหลบขวนเฮาเฮาปิดโทรศัพท์ซะมันจะรุ่ยมันจะจนเมื่อจนโมนล่ยนี่หนึ่งาสามสิบชั่วโมงนึงนั่นหร่สิบชั่วโมงนะมันจะรุ่ยมันจะจนกับพุ่นล่ะอันนี้มันจะจนจะรุ่ยเพียงแค่นั้นแหรอเขาปิดไปก่อนอาจากนั้นเขาขนั่งภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโพุท พุทธพุทธพุทธว่าให้จิตใจส่งไปได้อดีตทะเลาะบิวาทกันคัดคองบองใจมันทุกจนจังไหนว่ต้องคิดถึงมันตัดไปก่อนแล้วอนาคตมืออื่นที่เฮตุจังไหนว่าต้องคิดถึงมันจะทุกจะจนจังไหนตัดไปก่อนให้อยู่ปัจจุบันพุทธพุทธพุทธพุทธถ้ามันคิดไปก็ตัดออกมามันคิดถึงอดีตตัดออกมาว่าให้มันคิดให้อยู่กับพุทโธตลอด 1. นึ่งชโมโกนี่แหละอันนี็คือการภาวนาทา้าวพวกเข้านางภาวนาบุญกุศลตัวนี้นะมากไม้ ม, มหาศาลคณะัททายาทโยมบุญกุศลการภาวนามากกว่าอเส่์สท่านอเส่์ศีลเนี่สสนพระพุทธเจ้าเป็นตัดเปนบอกจังสันเดพราะนอเนส่ท่านอเสงศีลทรงถึงสวรรค์เี่ท้าวอเนส่งภาวนานี่ทรงถึงพร่มแล้วก็ทรงถึงนิพพาน ไอ้อพูกที่ภาวนาขึ้นไปเกิดเป็นพรหมได้ไดอ้อผมมีชาติพวกมีนั่งภาวนาจิตใจสงบปเป็นชาติเกิดขึ้นไปสู่พรหมแล้วกับตัดกิเลสได้เข่าสู้นิพพานในเรื่องภาวนานแต่อเ น, นสงท่านอเ น, นสงสิ น, นี่ไปสู่สวรรค์เพราะนั่นไอ้พวกเข้าต้องเอาทั้งสวรรค์เอาทั้งนิพพานพร้อมละไอ้ทั้งนั่งภาวนาว่างๆกันนั่งภาวนาสักหาหน้าที่ซิหน้าที่เป็นอุปนิสัยใบกรดีขึ้นกันเลยไอ้อพวกเข้า ใส่ใจในการนั่งภาวนานะั่นมหาลงพ่อคูบาอาจารย์เนี่ยลงพ่อมิตรแน่นําบอกก่าให้พวกเข้าตั้งอกตั้งใจไหวพ้พระสวดมนต์ก็นั่งภาวนาเน้อคณะท้าทายง้มลูกหลานเน้อยายจังอยู่ในความประมาทการเสาะสแสวงหาศรัพย์กรแมนยูเออหาเงินหาท่องมันขยันในการหาเงินแต่เป็นที่ย่อมรับกันทั่วโลกดินแดน คนที่มีเงินเขาก็ย่อมว่าเป็นเทวดาบูชา ว, ว่าเป็นเทวดาแต่ว่าพระอรหันตรสาวพ่พอแม่ผูบาดาจยบเพิ่น บ, บ่บูชาจังสั่นเอเพิเ่นว่าเ่อัติเรกรลาบเงินข้มทรัพย์สมบัติเป็นม่นทินทั้งด้านจิตใจอีกตางหาผู้ที่จะไปผู้จะเหน้าพลทุกเพิเ่นว่าจังสั่นเนเงินข้มทรัพย์สมบัติยางเกงกรส่งค้นส่งผวเข้าถึงโรงพยาบาลเท่านั้นะ ญาติพี่น้องของเข้าที่หักกันปันได้พอแม่ปุญญาตาย่าผู้สงสาคณาญาติสามีภรรยาลูกลๆกคือกันสิหักกันปันได้ก็ะทรงถึงเมน่นบุญกุศลที่เข้าสางนี่ล่ะบานอันนี้สงท่านอเนกสงสินอเนกสงผ้าวนาันหน้าสิทรงเข้าไปถึงสวรรค์ น, นิพพานผลได้ว่ันเพราะให้ไดเข้าพวกเข้ากิดบังนูกบ้านี่ทบท่วนเมื่อวัน ค่อนที่มีเงินหลายๆเสร็จแล้วก็เรียงเจ้าของสางบ้านสางเงื่อนสื่อเสือผามานุ่งแล้วก็สื่ออาหารการบริโภคสื่อยกสื่อยามา ก, กินมีความสุขจากนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทร่งเข้าถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลดีๆไปจ้างหมอเขารักษาพ่อรักษาได้ พอถึงข้าวหนึ่งหมอก็สายหัวขึ้นกันหมดความสามารถรักษาไม่ได้เพราะไตวายแล้วหัวใจไม่ทํางานแล้วเออเส้นเลือดอุดตันแล้วเออไม่ได้แล้วในความดันสูงแล่ะเออไปสู้ไม่ไหวแล้วหมอจะมดความสูงขื้นกันไปว่างเงินนี่ทรงทรงคนเท่านี่ยทรงถึงโรงพยาบาล บาเนี่ยส่งเข้าไปหมอวัดความสามารถแ้วก็ตายเป็นบ่อละพ่อตายบาเด็กญาติพี่น้องญอาติโก โ, โหติกากัเอามาเนี่บาเนี่ยําเพ็ญกุศลร่ลองหอมร่องไห้แ่ระบาเนี่ยเออก็ม้าใส่หีบใส่โร่ก็ทําบุญพ่อสามบุญเสร็จแล้วก็บหอดมือสามไหวสา ม, มืือเจ็ดมือส่งไปโรงพยาบาลไอ้ส่งไป <c oughs> ส่งไปวัดไปเผาในเม่นเนีจากได้เรอถน้ำซบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปใส่เม่น เออใสเข้าไปกับไปว่างดอกไม้จันมาเนี่ยเออไปว่างดอกไม้จันเออเ อ, อป้าเน้อลุงนเน้อสามีภรรยาลูกเน้อที่ได้เหตุยังกันไหวแน่อดีตชาติที่คัดของมองใจกันออพอแม่พี่น้องตัวข้าไปเจ้ากินงหลีอโหสีกับอโหสีกับไห่เน้อจะไปจองเว้นจองกคำจะไปกุดคัดของมองใจนเน้อท่านขึ้นกันะได้ทํากับพวกเข้า ขับข้าวไปเจ้าด้วยกายว่าจจใจจังไรที่ทำหนึ่งที่มันบอถูกต้องข้าวไปเจ้าขอ ย, ยินดีอโหสิเสียให้กับท่านเน้อขอให้ท่านไปดีนเน้ออไปส่งหอดเม่นมาดไปพ่อว่างถูกไหมจันเจนเรียบร้อยกันลงมานางเก้าอีเดาว่า่านคึ้นอดกันหลายกันน้าตาห้อยนำ้ำาจยั่งน้ำขึ้นเออขึ้นพูดถึงผู้ตายมาหน่อยบ้านในผู้ตายเขาก็จับส่งก็ไปในเม่นก็ไฟเผาท่านไป แต่พ่อไผ่ฝ่ทตะนั้นล่ะป่านนี่ดวงวิญญาณออกจากล่างในบาตนี้ยแคพ่อออกจากล่างนั่นนะอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรชยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราเราได้นอกจากตัวของเราคันนวา่าเฮาเลยถําบุญสางบุญไว้บุญนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองถ้าเฮาถําบาปบาปอากุศลเนี่จะเป็นเพื่อนสอง เป็นผู่น้ำหวงพิญญาณน้ำหลวงใจของเข้าได้บาดเลยนี่แหละบุญกุศลมันส่งถึงสวรรค์ส่งถึงนิพพานส่งถึงพบนาชาติหนาพอดได้บาดเลยเพราะนั้นบุญกุศลที่ห้าวสางไปนี่มันโมเมนต์ส่งไกลๆส่งไปไกลที่เดียวเลยติดพบติดชาตเิเป็นบางที่ติดไปตัง เ, เป็น ล, ลอยๆพันๆชาดพวกน่ะบางคนทถ้ำขุณง่ามความดีก็ได้เจ็ดชาดพอดมี่บางคนก็ได้ หน่อยชาติก็มีที่อ น, นิสงส์ศีลอนิอ น, น, อ น, นิสงส์ธานเพราะนั้นใอ้พวกเข้าสร้างบุญสางกุศลไหวบุญน่ะจะเป็นเพื่อนสองบาปนั่นจะเป็นเพื่อนสองเลยถ้าว่าเข้าถ้ำบาปบาวก็เป็นเพื่อนนะ เ, เมื่อเข้าตายพปนบาตกับบ า, บาปเนเขาไปหลอกข้อแด็ดผ้าไปตกนรกลุมนั่นลุ่นี่ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ละชานไปเกิดเป็นช่างมา้าหัวควายมูมาเป็ดไก่เป็นค้นพิกงพิการหูหนวกตาบอดไปได้ทั้งมื่อยไร พราะบาปผ้าไปเดขันบุญผ้าไปเนี่กิพอออกจากนี่เข้ามีบุญเดไปเกิดเป็นมนุษย์เขาจะไปเกิดไส่พบภูมิใดบุญจะเป็นผู่ผ้าไปไปนจนถึงสวรรค์ชั้นใดพมชั้นใดถ้าว่าเข้าละกิเลสได้เขาก็เข้าสู่นิพพานไปเลยนี่แหละบุญที่เขาสั่งสางคุณงามความดีมันทรงจังสันล่ะทรงขามพบขามชาติ แต่ว่าเข้าทําเห็ดความชัวก็ส่งความพบขามชาติคือกันเกิดมาพบนายชาตินาก็หูหนวกตาบาดเปะตาบอดบา้บาใบเสียจิตพิกองพิการพ่อยไหลเพราะบาปอาคุลส่งไปผ้าไปพบังขอให้พวกเข้าคณะธรราญาติโยมเนี่ ย, ายนะตายแล้วบ่สูญเนะี่ตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วขันเข้าแต่ศึกษาในหลักถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เออพระหลวงตรัสอย่างนั้นพูดอย่า ง, งสั้นละ่ะให้พวกเข้าได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเข้าจึง ม, มันขยันปันไดก็ตามเรื่องหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติมันจริงบอสที่หลวงพอบอกเนะ่ยเออแล้วกัพี่น้องของเข้าหักกันปันไดก็ตามกระทรงถึงเมน่นแต่บุญกุศลที่เข้าสางด้วยตนเองนะ่นแหลการสร้างบุญสางโดยตนเองนะั้เป็นส่วนมากเลยผู้อื่นสางหากระแมนพวกเขาก็ได้ของเขา บางที่เนี่ยเขาออกคำร่างกายเขากว่าใดําล่งเขาเขากินเขาเขาไปอิ่มท้องเขาเขาเทียนหนังสือเขาก็ได้ความรู้ของเขาเขาหายใจเขาก็มีชีวิตอยู่หายใจแทนเท่ากับบ่อใดเทียหนังสือแทนเท่ากับบ่อใดกินเขาแทนเท่ากับบ่อใดออกคำร่างกายแทนเท่ากับบ่อใดนี่แหละบางเสียงเมือย่างเขากว่าแทนได้แต่บางเสียงเมือย่างมันแทนกันบ่ไใด เพราะนั้นสิ่งที่มันแทนบ่ไร่นี่ยเ้าตรงเหตุเองสางบุญสางกุศลเองคิดเองทําเองนั่งพระวนาเองรักษาศีลเองนี่แหละเป็นบุญกุศลของพวกเขานะคณะทัตธาญาตโนมการกาวสัมโมทนิยกาถาในมืนเอเนี่ยก็เห็นว่าสมควรกับการเวลากาวเย้าทีเดียวเลยอ่างเหตุผลให้คณะพระเน่นลูกลานให้ได้ฟังได้ศึกษาวิธีการ เป็นอยู่ในการสวดทองปฏิโมกจนถึงการฟังธรรมเทศทนาพ่อแม่คู่บาอาจารย์ให้พวกเข้าศึกษาคูบาอาจารย์พระเนตร น, น้องนุ่งทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้ไฟในการศึกษาไฟในการประพฤตปฏิบัต่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในลักพระธรรมวิ น, นัยตลอดถึงพี่น้องประชาชนการว่างตัวก็คือกันให้สร้างบุญสางกุศลสร้สางคุณงามความดีเข้าสูจิตเข้าสูใจการกาว ในมเนกเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วไตรโลกธาตุบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เฮาพวกเรารักเคารพนับถือเรื่มใสขอให้มากคุ้มค้องพี่น้องลูกหลานสัทธาญาติโยมพระลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศินธรรมข็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธอน